บทที่สิบสามตรีกกิจกรรมเวกโลสรูชิสมาท่าทำอะไรค a เวกิมา r t a เธอทางานในสานักงาน เย่เดิร์เบอร์เบเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เย่เดิรเบอรียคอมพิวเตอร์มาท่าอยู่ที่ไหนคุริรามาร์ตะที่โรงหนังกินเน่เธอกำลังดูหนังเย่ จูด์ i ิลมาปีเตอร์ทำอะไรคะเ k กีปีเตอร์สเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยยิ้มส i ูดิโอเ j อุนเวอรขากำลังเรียนภาษายิ้มสตู p ีเตอรอยู่ไหนคุรีร์ปีเตอร์สที่ร้านกาแฟกาเวเนียเขากำลังดื่มกาแฟ yes get cava พวกเขาชอบไปไหนคุรีเม็กสเตอิตไปดูคอนเสิร์ต ตพวกเขาชอบฟังดนตรียมิค t ต์คลอซิพวกเขาไม่ชอบไปไหนอไปดิสโก้อก t e ก a พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ ยืนมิกสเตอชกต์